จะลอบอลท่านผู้มีจจตเมตตากรรนาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15กันยายนพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่าดทั้งหลายมีเวลาว่าจากพารกิจการยา เห็ได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาทําบุญเพื่อมาฟั่งเทศฟังธรรมเพราะการฟั่งเทศนังธรรมจะทําให้เกิดมีความเห็นที่ถูกต้องตอนนี้ใจของพวกเรามีความลืดบอบไม่สามารถเห็นความจริงเห็นก็เห็นแบบ ไม่ตรงกับความเป็นจริงเห็นด้วยความเห็นผิดเป็นชอบเช่นเห็นกงจากเป็นดอกบัวกงจากเป็นดอกบัวก็คือเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนั่นเองชีวิตของพวกเราเจ็บปวดเค้าอยู่กับความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะเรา ไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเหมือนกับเห็นงูพิษว่าเป็นปลาไหลเราก็ไปจับพอไปจับก็ถูกงูพิษกัดตายนี่คือเรื่องของความเห็นผิดเป็นช่อบเห็นกลงจักเป็นดอกบัวไม่มีความเห็นที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เห็นความจริงตามความเป็นจริง จช่เห็นทุกเป็นทุกเห็นสุขเป็นสุขเราไม่เห็นอย่างนั้นเราจึงต้องมาศึกษาจากผู้ที่มีดวงตาสว่างเห็นความเป็นจริงผู้ที่มีดวงตาสว่าง<น>ก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่ ได้ทำให้ใจที่ดูดบอดนี้สว่างสวยขึ้นมาทำให้สามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามความเป็นจริงพวกเราจึงต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นผู้ให้แสงสว่างแก่เราด้วยการมันศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่บ่อย อยู่เรื่อยๆก็เมื่อได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่บ่อยๆอยู่ได้เรื่อยๆแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์เช่นเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสอเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อเราได้ฟังฟังซ้ำอีกก็จะทำให้เกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น 3. จะทำให้กำจัดความสงสัยไปได้ 4. ี่ทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องทําทำให้จิตใจผ่องใสเบิกบมานมีความสุขนี่คือประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังเทศน์ฟังธรรมโดยเฉพาะความเห็นที่ถูกต้อง นี่เป็นความเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเพราะความเห็นของเรานี่เป็นเหมือนผู้นำชีวิตของเราเราเห็นว่าอะไรดีเราก็เดินเข้าหาสิ่งนั้นเราเห็นว่าอะไรไม่ดีเราก็เดินออกจากสิ่งนั้นหนีจากสิ่งนั้นแต่ถ้าความเห็นเราไม่ได้เห็นอย่างถูกต้อง เราก็จะไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่าดีแล้วเราก็จะเห็นสิ่งที่ดีว่าไม่ดีเช่นเห็นอะไรที่ไม่ดีว่าดีเช่นเห็นว่าการเสพสุราอย่างเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการครบคนชั่วเป็นนิรความเกลียดคร้านนี่ดเีเราก็เลยไป ทุกข์คีกับสิ่งที่ไม่ดีแล้วผลของสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นความทุกข์ไปแทนที่จะเป็นความสุขอย่างที่เราคิดความสุขที่เราได้จากการเกี่ยวข้องกับอบายยมุกนั้นก็เป็นความสุขเริ่มต้นเท่านั้นเองแต่มันจะไปจบที่ความทุกข์ตอนปลาย การเสพชรายามาเวลาได้เสพก็จะมีความสุขแต่พอเกิดอาการมึนเมาแล้วก็จะไม่มีสติคอยควบคุมกายวาจาใจให้อยู่ปกติได้ใจคิดอะไรก็จะพูดออกไปทำออกไปโดยไม่มีการไข้ขวรยับยัง้งคนที่เสพสุรายามา จึงมักจะเป็นคนที่มีกิริยาการไม่น่าดูคำพูดก็ไม่น่าฟังและก็อาจจะไปสร้างเรื่องราวสร้างปัญหาให้แก่ผู้อื่นได้เบืองต้นก็พูดแบบพูดไม่เพราะพูดไม่ไพเราะพูดละรานพอพูดที่เขาได้ยินเขาไม่พอใจ เขาก็จะตอบโต้พอตอบโต้ก็จะเกิดการทะเลาะวิวาเกิดการทุบตีกันผลเสียหายก็ตามมาคนที่เสพเสพตยาเมานีจะควบคุมอารมณ์ของตนไม่ได้เวลาเกิดความโกรธอยากจะทำร้ายผู้อื่นก็จะทำร้ายเมื่อทำร้ายแล้วก็จะ เกิดปฏิกิริยาตามมามีผู้ที่เขาถูกทำร้ายถ้าเขาไม่ทำร้ายกับเขาก็ไปแจ้งความให้เจ้าหน้าที่มาจัดการก็จะต้องถูกจับเข้าไปทั้งอยู่ในคุกในตารางหรือเวลาขับเวลาดื่มสุรามวนเมาแล้วก็ขับรถก็จะเกิดอุบัติเหตุทงให้เสียชีวิต ทั้งผู้อื่นและตนเองถ้าไม่เสียชีวิตก็พิกลี่การเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เป็นสาเหตุจากความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าการเสพสุรานี้เป็นความสุขพอเสพไปแล้วถึงได้รู้ว่ามันไม่ได้สุขอย่างที่คิดแต่มันก็สายเสียแล้วเพราะความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วนั่นเองอนี่คือตัวอย่างของความ เห็นผิดเป็นชอบเช่นเดียวกับการเล่นการพนันการเล่นการบันไดก็คิดว่าเล่นแล้วจะได้ไม่มีการคิดว่าเล่นแล้วจะเสียถ้าเล่นแล้วเสียก็ไม่มีใครเล่นกันแล้วผลเป็นยังไงผลก็คือเสียกันเป็นส่วนใหญ่เสียบางครั้งเสียจนกระทั่งเสียบ้านเสียช่องเสีียท่เสียที่ หรือเสียชีวิตไปก็มีที่เป็นผลที่เกิดจากการนล่นการพนัเวลาเสียก็อยากได้คืนก็เอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้มาเล่นต่อพอทรัพย์สมบัติหมดก็มาขายบ้านต่อขายบ้านหมดก็ขายที่ต่อท่านว่าขโมดขึ้นบ้างสิบครั้งก็ยัง สู้การไม่บ้านไม่ได้การไม่บ้านก็ยังสู้การเล่นการผนนันไม่ได้เพราะเวลาเล่นการผันนันนี้จะเสียหมดเลยไฟไม่บ้านเรายังมีที่ดินอยู่แต่ถ้าเล่นการผันนานแล้วจะขายหมดขายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองขายบ้านขายที่ดินและอาจจะขายชีวิตด้วย ก็เมื่ออยากจะเล่นต่อก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไปกู้หนี้ยืมสินจากผู้ที่มีอิทธิพลพอไม่มีเงินที่จะใช้เขาเขาก็จะมาข่มขู่ทาร้ายร่างกายและถ้ายัางไม่สามารถคืนเขาได้เขาก็จะฆ่าเราได้นี่คือผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเล่นการพนันการเที่ยวเตะ เที่ยวกลางคืนก็เหมือนกันไม่มีประโยชน์ไม่มีรายได้มีแต่สูญเสียรายได้ต้องเสียเงินเสียทองเสียเวล า, าพักผ่อนหลับนอนเวลาเวลาถึงเวลาจะไปทำมาหากินก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนอนหลับตื่นสายไปทำงานก็ไปไม่ทันขาดงานบ่อยๆก็จะถูกไล่ออกจากงานไป การเที่ยวนี้จึงเป็นสิ่งที่ดูดทรัพย์สมบัติดูดสิ่งที่ดีที่งามหมดไปเราจึงอย่าไปเที่ยวกันมากจนเกินไปเที่ยวกันพอหอป า, หออากหอบคอบางนานๆสักครั้งหนึ่งนี้ก็ไม่เป็นไรแต่เที่ยวแบบเป็นนิสยัยต้องเที่ยวอยู่ทุกคือนอยน่างนี้ก็จะมา ทำลายตัวเองเพราะจะสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปเหมือนกับการเล่นการพนันความเกยียรติค้านี้ก็ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะความเกยียรติค้านี้ไม่สามารถที่จะทําอะไรให้เกิดขึ้นได้จะหางจะมีเงินทองได้ก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรไปทํางาน จะมีความรู้ความสามารถก็ต้องมีความขยันหมั่นไปโรงเรียนไปศึกษาความขยันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญต่อชีวิตของเราต่อความสำเร็จของเราสิ่งใดที่เราปรารถนานี้จะสํำเร็จได้ก็ต้องอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรยังมีภาษิตที่พูดไว้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นนี่คือเรื่องของความหลงเห็นผิดเป็นชอบคิดว่าความเกียจคร้านนี่เป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นความสุขอยู่เฉยๆให้คนอื่นมาเลี้ยงเรามาดูแลเราแต่วันหนึ่งก็จะไม่มีใครดูแลเราเวลานั้นเราก็จะไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเราเองได้ เพราะว่าเราไม่รู้จักเลี้ยงดูตัวเราเองมีความเกียดคา้านหากินเองไม่เป็นต้องอาศัยให้คนอื่นเขาหากินหามาให้กินพอคนที่หามาให้กินเขาไม่อยู่แล้วเขาตายไปแล้วทีนี้ใครจะมาหาให้เรากินกันดังนั้นเราต้องอย่ามีความเกียดคานพยายามฝึกฝนอบรม ตนเองให้มีความขยันหมั่นเพียรอย่าอยู่เฉยๆงอมืองอเทา้ารอให้คนอื่นเขามาเลี้ยงเราถ้าเวลาที่เขาไม่เลี้ยงเราแล้วเราจะเดือดร้อนแต่ถ้าเราหากินของเราเองได้เลี้ยงตัวเราเองได้เราก็จะไม่เดือดร้อนมีใครหรือไม่มีใครเลี้ยงดูเราเราก็ไม่เดือดร้อน ว่าเราเลี่ยงตัวของเราเองได้การครบคนชั่วคนไม่ดีเป็นมิจก็เป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันไม่ใช่เป็นความสุขถ้าคบกับคนชั่วคนไม่ดีเขาก็จะชวนให้เราไปทำชั่วทำไม่ดีชวนให้เราไปดื่มสุราไปเล่นการพนันไปเที่ยวกลางคืนทำให้เราเกลียดคราง พาให้เราไปทำบาททำกรรมไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดไปเวรีโกหกหลอกลวงนี่คือคุณสมบัติของคนชั่วของคนไม่ดีถ้ารู้ว่าเขามีคุณสมบัติอย่างนี้ถึงแม้ว่าหน้าตาเขาจะดีเขาจะร่ำจะรวยมีตำแหน่งสูงก็อย่าไปคิดว่าเขาเป็นคนดีเรา ต้องดูที่คุณสมบัติของเขาเป็นการวัดคนวัดด้วยคุณสมบัติไม่ได้วัดด้วยฐานะเตื่นทองตำแหน่งคนชั่วนี้รวยได้คนชั่วนี้นนมีตำแหน่งสูงได้ดังนั้นเราอย่าไปหลงประเด็นมองที่คุณสมบัติมองว่าเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนักทรัพย์ประพฤติปิดตัวเอนี้ กหกหลอกลวงเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรหรือเปล่าถ้าเขามีคุณสมบัติหล่านี้เราอย่าไปคบค้าสมาคมกับเขาเพราะจะถูกเขาดึงไปทำในสิ่งที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้คบคนชั่วให้คบคนดีพราเวลาคบคนดี คนดีเขาจะพาเราไปในทางที่ดีคนดีก็คือคนที่มีคุณสมบัติตรงกับคนชั่ว น, นั่นเองคือเป็นคนไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายาเมาไม่เล่นการพนั ง, ไ ม, อองนไม่เที่ยวกลางคืนไม่เตียดคร้านไม่คบคนชั่วเป็นมิตร นี่คือคุณสมบัติของคนดีพบกับคนดีแล้วเขาก็จะไม่พาเราไปทําบาปไปทําสิ่งที่ไม่ดีเขาจะชวนเราไปทําในสิ่งที่ดีเช่นไปทํางานทําการไปหาเงินหาทองอไปทําประโยชน์ให้แก่สังคมไปทําบุญให้ทานอย่างนี้เป็นต้นการกระทําเหล่านี้ทำแล้วก็จะทําให้เกิด ความสุขความเจริญตางมานี่คือเรื่องของความมีความเห็นที่ถูกต้องเราต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ศึกษาจากพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้ว่าทำอะไรถึงจะทำให้เราดีทำอะไรถึงทำให้เราชั่วนอกจากการรู้เรื่องดีเรื่องชั่วแล้ว ก็ต้องรู้เรื่องบุญเรื่องสวรรค์ด้วยเรื่องเรื่องนรกเรื่องบาปด้วยเพราะอันนี้ก็มีเป็นความจริงเหมือนกันการทําบุญนี้จะทําให้เราไปสวรรค์การทําบาปนี้จะทําให้เราไปนรกกันอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันเพราะตาเรามืดบอดไม่เหมือนตาของพระพุทธเจ้ากับตาของพระอรหันต์ ที่มองเห็นดวงวิญญาณของพวกเราเวลาพวกเราตายไปนี่ท่านเห็นเลยว่าทำบาปแล้วต้องไปนรกต้องไปเกิดในอบายทำบุญแล้วก็จะไปเกิดบนสวรรค์กันอันนี้ไม่มีใครพวกเรานี้ไม่มีวันที่จะเห็นได้นอกจากเราจะปฏิบัตินั่งสมาธิเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลาย ได้ปฏิบัติกันเท่านั้นถึงจะทำให้เราเห็นได้ดังนั้นถ้าเรายังไม่เห็นก็ขอให้เราเชื่อคนที่เห็นไม่เถอะเพื่อเราจะได้ปลอดภัยเราเป็นเหมือนคนตาบอดพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์เป็นเหมือนคนตาดีคนตาบอดเวลาจะทำอะไรจะไปไหนก็ต้องอาศัยคนตาดีนำทางไปถ้าไม่มีคนตาดีนำทางไป ก็จะไม่สามารถไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยไปถึงจุดหมายปลายทางได้พวกเราก็เหมือนคนตาบอดที่ต้องการไปมีความสุขกันต้องการหนีจากความทุกข์ต่างๆกันเราก็ต้องรู้ว่าเรามีคนตาดีคือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ที่จะนำพาเราไปได้ สวรรค์นี้ก็คือความสุขนี้นรกก็คือความทุกข์มันอยู่ในใจเราเวลาร่างกายตายไปใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายผลของบุญของบาปที่เราทาอยู่นี้จะทำให้ใจเราเป็นสวรรค์หรือเป็นนรกขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้กันเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อคำสอน ที่สงสอนไม่ให้เราทำบาปให้ละบาปให้เราทำแต่บุญทาแต่ความดีบุญคืออะไรก็คือการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจที่เป็นประโยชน์ไม่เกิดโทษกับผู้อื่นก็ดีกับเราก็ดีหรือกับผู้อื่นแล้วกับเราอย่างนี้เรียกว่าบุญ อย่างวันนี้ญาตโยมมาทำบุญเอากับข้าวกับปลาอาหารเอาข้าวของต่างๆมาถวายให้กับพระอันนี้เป็นการทำประโยชน์ไม่มีโทษตามมาประโยชน์เกิดขึ้นกับพระได้รับอาหารไปรับประทานส่วนประโยชน์กับผู้ให้ก็คือมีความสุขใจมีความอิ่นใจ มีสวรรค์ปรากฏขึ้นมาภายในใจนี้เองนี่คือเรื่องของบุญเรื่องของบาปก็เช่นเดียวกันถ้าทำบาปแล้วผู้ที่ถูกทำบาปก็จะเดือดร้อนไปฆ่าเขาก็เดือดร้อนไปลักทรัพย์ของเ ข, เขาก็เดือดร้อนไปประพฤติผิดประเวณีเขาก็เดือดร้อนไปโกหกหลอกลวงเขาก็เดือดร้อนกัน เวลาทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทำให้เขาเกิดโทษเกิดความทุกข์ก็ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเวลาทำบาปแล้วใจเราจะร้อนใจเราจะไม่สงบใจจะไม่เยน็นใจจะหวาดวิตกกังวลกลัวที่จะต้องรับโทษความกลัวความทุกข์ความลุกร้อนใจนี้ ก็เป็นโทษขึ้นมาอยู่แล้วก็คือเป็นนรกทั้งเป็นนี่เองตกนรกทั้งเป็นและเวลาตายไปบุญกับบาบนี้ก็จะมาคิดบัญชีกันถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะทำให้ใจเป็นสวรรค์ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็จะทำให้ใจกลายเป็นนรกขึ้นมาตายไปก็ไปนรกทันที นี่คือผลที่เกิดจากการทำบุญการทำบาปพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราทำแต่บุญอย่าทำบาปแล้วการไปเกิดนั้นก็ยังไม่ได้เป็นการที่จะยุติปัญหาต่างๆของเราการไปเกิดต่อก็จะต้องเกิดพบกับความทุกข์ต่อไปเพราะว่าไม่ว่าจะไปเกิดที่ไหน ก็จะต้องมีความเสื่อมความดับตามมาไปเกิดเป็นเทพเดี๋ยวก็ต้องหมดจากการเป็นเทพก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่กลับมาทุกข์ใหม่ไปนรกก็เช่นเดียวกันก็หลังจากออกจากนรกก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เหมือนกันเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่ก็ต้อง ทำใจของเราให้สงบทำใจของเราไม่ให้มีความอยากอันนี้เป็นความรู้ที่พระเจ้าทรงรู้และทรงได้ปฏิบัติแล้วพระองค์ทรงเบื่อกับการที่จะต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่แบบไม่มีวันสิ้นสุดพระองค์จึงศึกษาและปฏิบัติจนพบต้นเหตุของการที่จะต้องพาให้เรากลับมากลับมาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิด ก็คือความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเรานี่เองตะตาบดยังมีความอยากอยู่ใจของเราก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้จะต้องไปทำตามความอยากเช่นเราอยากจะดื่มสุราเราก็ต้องไปหาสุรามาดื่มอยากจะสูบบุหรี่ก็ต้องไปหาบุหรี่มาสูบอยากจะเที่ยวกําเคืก็ต้องออกไปเที่ยว อยากจะเล่นการพนันก็ต้องออกไปเล่นอยู่เฉยๆไม่ได้ไม่เหมือนกับคนที่ไม่มีความอยากถ้าไม่มีความอยากดื่มสุราก็ไม่ต้องไปหาสุรามาดื่มถ้าไม่ต้องถ้าไม่อยากสูบบุหรี่ก็ไม่ต้องไปหาบุหรี่มาสูบถ้าไม่อยากเล่นการพนันก็ไม่ต้องไปเล่นการพนันแต่ถ้ามีความอยากแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้ ดังนั้นเราต้องหยุดความอยากต่า ง, างๆให้หมดไปจากใจของเราให้ได้ถ้าเราหยุดได้แล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกการที่เรายังต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าเรายังมีความอยากอ ย, กอยู่ยังอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานยังอยากเป็นนั่นเป็นนี่ยังอยากให้สิ่ง น, นั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้น หรื อ, อยังอยากไม่ให้สิ่ง น, นั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ความอยากเรานี่นี่แล้วที่เป็นตัวผลักดันใจของเราต้องไปเกิดใหม่เพราะว่าอยู่ไม่เป็นสุขนั่นเองการที่จะหยุดความอยากนี่เราต้องหยุดความคิดของเราการจะหยุดความคิดของเราเราก็ต้องใช้ใช้สติเจริญสติให้คิดอยู่กับเรื่องเดียว เช่นให้คิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธอย่างเดียวถ้าคิดอยู่กับพุโทโธความอยากมันก็จะไม่เกิดขึ้นมาถ้าเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับพุโทโธไปได้เรื่อยต่อไปเราจะมีกําลังหยุดความอยากได้เราจะเห็นว่าความอยากนี้เป็นโทษที่จะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนี่คือการปฏิบัติขั้นสูงสุด สำหรับผู้ที่เบื่อกับการเวียนว่ายตายเกิดถ้ายังไม่เบื่อก็ขอให้ทำแต่บุญอย่าไปทำบาปเมื่อเวลาตายไปจะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปตกนรกตายไปจะได้ไปเที่ยวในสวรรค์เสร็จแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าเบื่อกับการที่จะต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายก็ต้องหยุดใจให้ได้ จะหยุดใจให้ได้ก็ต้องควบคุมความคิดต้องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วความอยากก็จะหายไปจะหมดไปได้นี่คือเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อมาให้ได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วถ้าเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังแล้ว เราได้ยินซ้าอีกก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นมีความเห็นที่ถูกต้องมากขึ้นกำจัดความสงสัยได้แล้วก็ทำให้ใจเรามีความสุขมีความผ่องใสการฟังธรรมนี้แหละพระเจา้าทรงที่ตัดไว้ว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเราได้ประโยชน์ทั้งห้าประการนี้นั่นเอง จึงขอฝากให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาเรื่องที่ท่านได้ยินได้ฟังกันในวันนี้ไปพิริพิจออารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรายและบุญกุศล